จเจริญพรท่านศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธามีความเริ่มใสในพระพุทธศาสนาทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่25มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านได้มีความตั้งใจ เพื่อมาประกอบคุณงามความดีทำบุญถวายทานให้แก่พระภิกษุสา ม, มเณร <c oughs> เพื่อเป็นการ <c oughs> ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้มีอายุยืนยาวนาน <c oughs> เพื่อจะได้เป็นที่พึ่งแก่พวกเราทั้งหลาย <c oughs> เพราะพระพุทธศาสนาเปรียบเหมือน ต้นโพต้นไทรพวกเราเปรียบเหมือนกับเป็นนกตัวเล็กๆที่ต้องอาศัยร่มของต้นโพต้นไทรและอาหารคือผลของมเมล็ดผลของต้นโพต้นไทรไวเป็นอาหารหล่อเลี้ยงชีวิตจิตใจของพวกเราถ้าเกิดต้นโพต้นไทรมีการ เสื่อมเสียหรือมีการดับไปพวกเราก็จะเป็นไร้ที่พึ่งจะไม่มีที่พึ่งไม่มีอาหารไหวคอยหล่อเลี้ยงจิตใจดังนั้นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาจึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญอย่างยิ่งสำหรับพวกเราผู้มีความศรัทธามีความเคารพ ในพระพุทธศาสนาที่จะพึงกระทากันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการถวายสังฆทานถือว่าเป็นการทานุบารุงพระพุทธศาสนาโดยตรงเพราะการถวายสังฆทานไม่ได้ถวายให้กับพระภิกษุรูปหนึ่งรูปใดแต่ถวายให้กับาศาสนา ให้กับพระภิกษุทุกรูปที่ปฏิบัติที่มาบวชในพระพุทธศาสนานี้ของต่างๆที่ญาติโยมนามาถวายด้วยการกล่าวคำถวายสังฆทานดังที่ได้กระทําไปเมื่อกี้นี้เป็นของที่ผู้รับไม่สามารถที่จะเอาไปใช้เป็นของส่วนตัวได้เป็นของที่ญาติโยมมีความตั้งใจถวาย ให้ผู้รับนำเอาไปแจกจ่ายเอาไปแบ่งกับพระรูปอื่นที่ไม่ได้รับผู้รับเป็นเพียงแต่ตัวแทนของพระในวัด น, นี้เท่านั้นเมื่อรับมาแล้วก็ต้องมีการกระทาพิธีอุ ป, ปโลก ค, คือประกาศให้สงฆ์ได้รับทราบและขอฉันทานุมัติคือขออนุญาตจากสงฆ์ ว่าจะนำเอาของต่างๆที่ได้รับมาในวันนี้เอามาแจกจ่ายกันโดยให้พระเถรานุเถระเป็นผู้ที่พิจารณาของเหล่านี้ก่อนแล้วก็เลื่อนลงไปตามลำดับอาวุโสพันเตจนไปถึงสมเณรรูปสุดท้ายเมื่อมีเหลือก็ให้เอาไปจำหน่ายจ่ายแจก ให้กับลูกศิษย์ลูกหาศรัท ธ, ธายาตโยมต่อไปถ้ายัางไม่ได้มีการทำพิธีอุปโลกแล้วผู้หนึ่งผู้ใดหยิบของนั้นไปใช้ก่อนก็จะเป็นบาปเป็นกรรมนะเพราะสงฆ์ยังไม่ได้อนุญาตต้องรอให้สงฆ์ทำพิธีอุปโลกดังที่ได้กระทำไว้แล้วเมื่อกี้นี้ก่อน เมื่อทำแล้วก็เลื่อนลงไปตามลำดับอาุโสพันเตจนถึงโลกถึงถึงสัมมนเนรรูปสุดท้ายแล้วค่อยเอาไปแจกให้กับศรัทธาญาตโยงต่อไปถ้าได้ทำอย่างนี้แล้วผู้ที่เอาไปใช้ก็จะไม่เป็นบาปเป็นกรรมแต่อย่างใดเพราะเป็นการกระทาที่ถูกต้องตามหลักพุทธบัญญัติ ของเหลือศาสนาก็ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเก็บเอาไว้ศาสนาไม่ได้สอนให้พระเนรสะสมของใช้ต่างๆเมื่อตอนเองมีพอเพียงเหลือใช้แล้ว <c oughs> ก็เอาไปทำบุญต่อ <c oughs> ไปที่วัดอื่นที่กันดาลที่ขาดแคลนหรือสงเคราะห์คนที่เดือดร้อนต่อไป <c oughs> ดังนั้นทุกครั้งที่มีการ ถวายสังฆทานจะต้องมีการอุปโภค ก, ก่อนถึงจะเอาไปจำนายจ่ายแจกได้เมื่อทำอย่างนีแล้วก็จะเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้อยู่ไปยาวนานตามความทำนายของพระพุทธเจ้าที่ทรงเคยตรัสไว้ในโอกาสที่ได้เสด็จไปโปรด พระราชบิดาในพระราชวังมีพระมารดาเลี้ยงของพระพุทธเจ้าที่ทรงเลี้ยงพระพุทธเจ้ามาตั้งแต่เจ็ดวันหลังจากที่ประสูติออกมาเนื่องจากพระพุทธมารดาได้เสด็จสวรรคตไปก่อนพระราชบิดาจึงได้มอบให้พระมารดาเลี้ยงนี้ ซึ่งเป็นพี่สาวของพระพุทธมารดาหรือน้องสาวก็จบไม่ได้เอามาเลี้ยงดูต่อไปจนเจริญเติบโตจนพระพุทธเจ้าได้สเสด็จออกผนวดและปฏิบัติธรรมอยู่หกปีจนได้บรรลุเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าขึ้นมาหลังจากนั้นแล้วพระราชบิ ด, ดาก็ได้ นิมนต์ได้อาราธนาให้ได้มาโปรดญาติพี่น้องที่อยู่ในราชวังเมื่อพระพุทธองค์ได้เสด็จไปถึงพระมันดาเลี้ยงก็มีความปรารถนามีจิตศรัทธาที่จะถวายผ้าจีวรให้กับพระพุทธเจ้าเป็นผ้าที่พระองค์คือพระ พระม anda เลี้ยงได้เป็นคนตัดเย็บด้วยตัวของตัวเองอยากจะให้พระพุทธเจ้าได้สวมใส่นุ่งห่ผมผ้าจีวรที่ได้ตัดเย็บไว้ก็นําเอาไปถวายให้กับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธไม่รับผ้าจีวรที่พระม a ดาเลี้ยงถวายทรงตัดบอกว่าให้ถวาย แก่สงคือให้ถวายเป็นสังฆทานไม่ให้ถวายจำเพาะเจาะจงให้กับพระองค์เองครั้งที่สองพระมารดาเลี้ยงก็ยังมีความปรารถนาที่จะถวายให้กับพระพุทธเจ้าอีกครั้งที่สองพระพุทธเจ้าก็ทรงปฏิเสธทรงให้เอาไปถวายให้เป็นสังฆทานครั้งที่สามก็นํามาถวายอีก พระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสเช่นเดียวกันและทรงตรัสว่าถ้าอยากจะให้พระพุทธศาสนานี้อยู่ไปครบห้าพันปีก็ต้องนำเอาไปถวายให้กับสงถวายเป็นสังฆทานอย่าไปถวายเฉพาะเจาะจงกับพระรูปหนึ่งรูปใดเพราะพระแต่ละรูปนี้มีอายุไม่ยืนยาวนานถึงห0 0 0ันปี พระพุทธเจ้าก็มีอายุเพียง80ปีก็ต้องเสด็จดับขันไปก็ต้องมีพระรูปอื่นมาปฏิบัติหน้าที่แทนการที่จะมีพระมาบวชได้อย่างในสมัยปัจจุบัน <c oughs> ก็ต้องมีพระอย่างน้อยสิบรูปขึ้นไปถึงจะทำพิธีปันประชาอุปสมบทได้ดังนั้นถ้าถวายแต่เฉพาะรูปหนึ่งรูปใด แล้วรูปอื่นๆไม่ได้รับการทำนุบำรุงดูแลท่านก็จะไม่สามารถอยู่เป็นพระได้ท่านก็อาจจะสึกกันไปจนเหลือไม่กี่องค์เหลือแต่องค์ที่มีคนถวายข้าวของให้อยู่เป็นประจำแต่หลังจากที่องค์ที่องค์นั้นนั้นได้ตายจากไปก็จะไม่มีใครมาสืบทอดพระาศาสนาต่อไปาศาสนาก็จะไม่อยู่ไปจนถึง 5 0 0พปีแต่ถ้าเราถวายทุกสิ่งทุกอย่างที่จำเป็นต่อการดํารงชีพของพระภิกษุสา ม, มเณรไม่ว่าจะเป็นปัจจัยสี่เช่นอาหารบิณฑบาตจีวรยารักษาโรคหรือกุฏิรวมทั้งสาราโบสถ์เจดีย์และวัดให้ถวายเป็นสมบัติของพระาศาสนา ไม่ให้เป็นของผู้หนึ่งผู้ใดเพราะถ้าเป็นของผู้หนึ่งผู้ใดแล้วดีไม่ดีผู้นั้นอาจจะเอาไปขายต่อก็ได้เพราะเป็นสมบัติของเขาแต่ถ้าเป็นของศาสนาแล้วไม่มีใครสามารถมีสิทธิ์ที่จะเอาไปขายได้จะทำอะไรกับสมบัติส่วนกลางจะต้องได้รับฉันทานุมัตรจะต้องได้รับอนุญาตจาก พระสงฆ์ที่อยู่ในอาวาสเดียวกันก่อนดังนั้นถาวรวัตถุต่างๆสิ่งของต่างๆที่ญาติโยมมีจิตศรัทธาถวายเพื่อทำนุศบำรุงพระพุทธศาสนาก็จะได้ทำนุศบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างจริงๆพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสว่าการถวายทานให้เป็นกับของสงฆ์ที่เรียกว่าสังฆทานนี้ มีบุญมีอนิสงฆ์มากกว่าการถวายทานให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งเช่นพระรูปใดรูปหนึ่งจะไม่ได้บุญจะไม่ได้อานิสงฆ์มากเท่ากับการถวายให้กับสงฆ์ถวายเป็นสังฆทานไปแต่การถวายสังฆทานนี้ไม่จาเป็นไม่ได้หมายความว่าจะต้องเป็นของที่เขาจัดใส่กระแป้งสีเหลือง แล้วเราซื้อมาถวายของที่จะถวายเป็นสังฆทานนั้นเป็นอะไรก็ได้ของที่พระใช้ได้เช่นจะถวายจะถวายเพียงแต่ยาสีฟันแปรงสีฟันก็ได้จะถวายสบู่จะถวายเครื่องใช้ไม้ส้อยต่างๆก็ได้ไม่จำเป็นต้องไปซื้อของที่เขาใส่เระแปลงเตรียมเมาไว้ ส่วนใหญ่ของที่เขาใส่ไว้เป็นของที่ไม่มีคุณภาพเป็นของที่เขาขายไม่ออกเขาก็เอามายัดใส่กระป๋องไว้ปากระป๋องบางทีก็หมดอายุน้ําที่ใส่ไปในกระแป๋งก็มีกลิ่นแฟบกลิ่นสบู่เข้าไปในน้ํากินไม่ได้ของต่างๆถ้าอยากจะซื้อถวายทบพระถวายสังฆทานควรจะเลือกซื้อเองดีกว่า อย่าให้เขาจัดให้เราเพราะของที่เขาจัดให้เราส่วนใหญ่มันก็ซ้ำๆกันเป็นของที่ไม่มีความจำเป็นเช่นกล่องสบู่มีเป็นร้อยไม่ทราบว่าจะเอาไปทำอะไรอย่างนี้เป็นต้นดังนั้นถ้าเราอยากจะทำบุญถวายของให้กับพระให้เกิดประโยชน์ก็ <c oughs> ขอให้เราจัดหาซื้อมาเองจะดีกว่า จะได้ของใหม่และเป็นของที่มีคุณภาพและเรารู้ด้วยว่าของที่เราซื้อนั้นมีอะไรบ้างแต่ถ้าเราซื้อของที่เขายาัดยัดใส่มาในกระป๋องเราไม่รู้ว่าข้างล่างมีอะไรส่วนใหญ่ก็จะมีกระดาษหนังสือพิมพ์มีกระดาษชำระหรือมีขวดน้ำยัดไว้ข้างล่างของที่เห็นก็มีอยู่เพียงแต่ที่เขาโปะวางไว้ข้างบนกระป๋องเท่านั้นเอง นี่คือการทำบุญถวายสังฆทานเวลาทำอะไรนั้นเราควรใช้เหตุใช้ผลใช้ปัญญาอย่าใช้ความมักง่ายความขี้เกียจไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรให้กับพระก็เลยเห็นเขาจัดของใส่กระป๋งกรแป้งมาก็เอามาถ้าไม่รู้จริงๆก็มาถามพระได้ถามวัดได้ว่าทางวัดขาดแคลนอะไรบ้าง สิ่งไหนที่มีเหลือมากแล้วจะได้ไม่ต้องซื้อเอามาให้มันเกะ ก, กะเพราะมีมากเกินความจําเป็นมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรพระบอกญาติโยมไม่ได้แต่ถ้าญาติโยมถามพระพระถึงจะบอกได้คืออยู่ดีๆจะไปบอกญาติโยมว่าต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ไม่สามารถพูดได้แต่ถ้าญาติโยมเปิดโอกาส คือถามพระว่าขาดหรืออะไรต้องการอะไรมีความจำเป็นอะไรขอปวารณาตัวการปรวารณาตัวก็คือเป็นการเปิดโอกาสให้พระบอกในสิ่งที่ท่านมีความจำเป็นต้องการได้โดยปกติแล้วพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้พระภิกษุไปขอของต่างๆจากผู้อื่นที่ไม่ใช่เป็นญาติหรือ ที่ไม่ได้ปราราณาตัวไว้ก่อนถ้าเป็นญาติก็ต้องเป็นพ่อแม่เป็นพี่เป็นน้องกันถึงจะบอกกันได้ว่าขาดเหลืออะไรต้องการอะไรหรือถ้าจะบอกคนอื่นก็ต้องเขาต้องปรารณาตัวก่อนเช่นเขาอาจจะพูดว่าถ้าพระเดชพระคุณท่านขาดเหลืออะไรต้องการอะไรขอโปรดได้บอกข้าพเจ้าด้วยถ้าเป็นอย่างนี้ก็ พระท่านก็มีมีมีโอกาสที่จะพูดที่จะบอกได้แต่ถ้าไม่พูดไม่ภาวนาตัวไว้ก่อนแล้วท่านก็จะไม่ไม่สามารถบอกเราได้แต่บางองค์ถึงแม้เราจะปภาวนาตัวแล้วก็ตามแต่ท่านถือหลักมักน้อยสันโดษคือยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็พอมี มีความพอใจกับสิ่งที่ตนมีอยู่ถ้าเป็นดังนั้นถึงแม้เราจะประวานาตัวท่านก็จะไม่ขอไม่บอกอะไรทั้งสิ้นเพราะท่านยินดีตามมีตามเกิดมีก็ได้ไม่มีก็ได้เพราะของส่วนใหญ่ก็ไม่มีความจำเป็นถึงขนาดที่ว่าถ้าไม่มีแล้วจะต้องตายไปเช่นสบูอย่างนี้ ถึงแม้จะไม่มีสบู่ใช้ก็ไม่ตายก็ยังอยู่ได้ไม่มีแฟบใช้ก็ไม่เป็นไรแต่ขาดน้ำไม่ได้น้ำต้องมีน้ำต้องมีไว้อาบมีไว้ซักจีวรแต่ไม่มีสบู่ไม่มีแฟบไม่เป็นไรซักผ้าโดยไม่มีไม่มีแฟบก็ซักได้อาบน้ำโดยไม่มีสบู่ก็อาบได้ป้าบางรูปท่านจะถือหลัก มับน้อยสันโดษคือจะยินดีตามมีตามเกิดมีอะไรก็ใช้ไปตามมีตามเกิดถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ต้องคิดด้วยปัญญาว่าธรรมดาคนเราต้องใช้อะไรกันบ้างพระท่านก็เป็นคนเหมือนเราเหมือนกันท่านก็ต้องใช้ของเหมือนกับเราใช้เช่นยาสีฟันแปรงสีฟันสบู่แฟ ของพวกนี้ท่านก็ต้องใช้เหมือนเราใช้แต่ของบางอย่างท่านไม่ใช้เราก็ต้องรู้เช่นภาพจะไม่ใช้พวกเครื่องสาอางต่างๆพวกน้ำหอมอะไรเหล่านี้ท่านจะไม่ใช้ท่านจะใช้แต่สิ่งที่จำเป็นหรือที่เป็นยาถ้าจะทาแป้งสมมติว่าจะต้องทาแป้งก็เพราะว่าเป็นมีผลมีผื่นขึ้นมาทาเพื่อรักษา ใช้แป้งทาเพื่อรักษาเป็นยานี้ใช้ได้แต่ถ้าถาแป้งเพื่อให้มันมีความสุขมีความสบายใจอย่างนี้ใช้ไม่ได้ของที่พระจะใช้นั้นต้องใช้เพื่อดูแลรักษาร่างกายเท่านั้นไม่ได้เอามาเสริมความงามไม่ได้มาให้เกิดความรู้สึกสบายอกสบายใจเพอะวิธีการของ การทำความทำจิตทำใจให้สบายของพระนั้นไม่เหมือนกับคาวาะญาติโยงคาวาะญาติโยง ม, มักจะหาความสุขความสบายใจจากการใช้ของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของแพงๆมาใช้กันอย่างนี้ไม่ใช่เป็นวิธีของพระพระท่านจะหาความสุขความสบายใจด้วยการปล่อยวางด้วยการตัดกิเลส ของฟุ่มเฟือยต่างๆไม่ยินดีกับสิ่งที่ไม่จำเป็นต่อการดารงชีพแล้วก็หาความสุขจากการทำจิตใจให้สงบเพราะนี่คือความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การได้ใช้เข้าของฟุ่มเฟือยต่างๆหรือได้จากการได้ไปดูได้ไปฟังได้ไปดื่มได้ไปรับประทานอะไรต่างๆ ความสุขเหล่านี้เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรสุขในชั่วในขณะที่ได้เสพได้สัมผัสแล้วก็เกิดความหิวเกิดความอยากเกิดความยึดติดเป็นเหมือนกับคนคนติดยาเสพติดเมื่อได้ดูได้ฟังอะไรได้กินได้ดื่มอะไรแล้วก็ติดเป็นนิสัยจะต้องพยายามหามาดูหามาฟังหามาดื่มหามากินอยู่เรื่อย วันใดถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้กินไม่ได้ดื่มก็เกิดอาการงดกิจใจเกิดอาการเบื่อหน่ายเกิดอาการเศร้าซ้อยหงอยเหงาขึ้นมาแต่ความสุขที่ได้จากการความสงบของจิตใจนี้จะไม่ทําให้เรามีอาการยึดติดแต่อย่างใดและเป็นความสุขที่เราสามารถหาได้ตลอดเวลา เพราะมีอยู่ในตัวเราไม่จำเป็นต้องมีเงินมีทองไม่จำเป็นจะต้องมีคนนั้นคนนี้มาให้ความสุขกับเราไม่จำเป็นต้องให้สิ่งนั้นสิ่งนี้มาให้ความสุขกับเราเพียงแต่ทําใจของเราให้สงบนิ่งปล่อยวางได้แล้วใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอดังนั้นถ้าเราอยากจะพบกับความสุขที่แท้จริง เราก็ต้องปล่อยวางความสุขที่เป็นของปลอมทั้งหลายเพราะเราไม่สามารถที่จะเอาความสุขทั้งสองชนิดมาปนกันได้เพราะมันเป็นของตรงกันข้ามกันเหมือนกับเหรียญถ้าเราจะเอาหัวมันหัวให้มันหงายขึ้นมาก้อยมันหัวด้านก้อยมันก็ต้องคว่ำลงไปจะให้หัวกับก้อยนี่มันหงายขึ้นมาทีเดียวพร้อมๆกันไม่ได้ หรือจะให้กลางวันกับกลางคืนปรากฏขึ้นมาพร้อมๆกันก็ไม่ได้ถ้าเป็นกลางวันก็ไม่มีกลางคืนถ้าเป็นกลางคืนก็ไม่มีกลางวันถ้าอยากจะได้ความสุขจากความสงบของจิตใจก็ต้องละความสุขทางรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความสุขที่เกิดจากการได้กินได้ดื่มได้ดูได้ฟัง ความสุขแบบนี้เราต้องลดต้องตัดไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีเวลามาหาความสุขภายในใจเช่นสมมติวันเสาร์อาทิตย์แทนที่จะไปเที่ยวกันก็มาอยู่วัดกันแทนมาถือศีลแปดมาอดข้าวเย็นมานอนกับพื้นมาแต่งเนื้อแต่งตัวแบบเรียบเรียบง่ายๆ ไม่ต้องใช้น้ำหอมไม่ต้องใช้เครื่องสาอางต่างๆถ้าเราแล้วก็มาสวดมนต์กันปฏิบัติธรรมกันนั่งทำสมาธิกันควบคุมจิตใจไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าสวดมนต์ก็ให้อยู่กับการสวดมนต์ไปอย่างเดียวสวดไปเรื่อยๆอย่าให้ไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ดึงใจเอาไว้ ถ้ามันเผลอไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ดึงกลับมาหาที่หาบทสวดมนต์ตอหรือถ้าเราใช้คําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธก็อยู่กับคําบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปภายในใจอย่าไปคิดถึงเรื่องอะไรต่างๆดึงกันกลับมาเรื่อยๆถ้ามันวับไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เพราะถ้าปล่อยให้มันไปคิดแล้ว นั่งสมาธิไปเป็นเวลาชั่วโมงชั่วโมงก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะจิตจะไม่สงบจิตจะสงบได้ก็ต่อเมื่อจิตไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆถ้าอยู่กับบทสวดมนต์ก็ดีหรืออยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธก็ดีไม่นานบางครั้งเพียงแค่หนาทีจิตก็จะรวมลงเวลาจิตรวมลงนี่เหมือนกับตกลุมตกบ่อตกเหว มันจะวุบลงไปแล้วก็จะนิ่งสงบตอนนั้นความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่างๆหายไปหมดใจตอนนั้นจะไม่คิดถึงเรื่องอะไรจะไม่รับรู้กับเรื่องอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นเสียงจะเป็นจะเป็นเสียงจะเป็นรูปเป็นกลิ่นเป็นอะไรก็ตามขณะนั้นใจจะไม่สนใจกับสิ่งต่างๆจะมีความสุขอยู่กับความสงบของตน ความสุขนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงตรัาวว่าเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขต่างๆในโลกนี้นัตติสันติปรังสุขขังไม่มีสุขใดในโลกนี้ที่จะมีเสมอเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของจิตของใจและเป็นสิ่งที่พวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะมีเอาไว้เป็นสมบัติได้ ไม่จำเป็นจะต้องเป็นคนรวยคนจนก็ได้คนรวยก็ได้ผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้คนแก่ก็ได้คนหนุ่มคนสาวก็ได้เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็ได้ถ้ารู้จักวิธีทําใจให้สงบเสียอย่างเดียวแล้วจะได้รับกับความสุขที่ประเสริฐนี้อย่างแน่นอนทุกคนเราจึงควรที่ให้ความสนใจ ต่อการหาความสุขแบบนี้ด้วยการลดละการหาความสุขชนิดอื่นๆพยายามตัดเสียเรื่องการอยากดูอยากฟังอยากกินอยากดื่มสิ่งต่างๆให้กินให้ดื่มเท่าที่จำเป็นอย่างถ้าเป็นพระนี้วันนี้ท่านฉันเพียงวันละมือท่านก็อยู่ได้แล้วเพราะร่างกายก็ไม่จำเป็นจะต้องมีอาหารอะไรมากมาย ไม่จำเป็นต้องรับประทานถึงวันละสามครั้งรับประทานครั้งเดียวให้มันพอเลยก็ได้เหมือนกับเวลาที่เติมน้มามันรถเราเติมทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบ่งไว้เติมทีละสามชั่วโมงหกชั่วโมงแล้วค่อยมาเติมทีหนึ่งเติมไปทีเดียวให้มันเต็มถังไปเลยกินไปทีเดียวให้มันอิ่มท้องไปเลยกินจะ ก, กระทั่งกินไม่ได้ แล้วรับรองได้ว่าไม่ตายอยู่ได้จนถึงพรุ่งนี้แล้วค่อยกลับมากินใหม่เพื่อเราจะได้ไม่ต้องมากังวลกับเรื่องการกินการรับประทานเพื่อเราจะได้มีเวลามาปฏิบัติมานั่งสมาธิมาสวดมนต์มารักษาศีลมาทำบุญทำทานเพราะวิธีการเหล่านี้จะเป็นการพาให้จิตใจของเราเข้าสู่ความสงบ เข้าสู่ความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีวิธีอื่นมีวิธีนี้เพียงวิธีเดียวเท่านั้นและไม่มีใครสามารถทำให้กับเราได้พระพุทธเจ้าก็ทำให้เราไม่ได้พระ อ, อริยสงฆ์คูบาาจารย์ที่มีชื่อมีเสียงท่านก็ทำให้เราไม่ได้ท่านไม่สามารถเสกเป่าสวด ปะพมน้ำมนต์แล้วทำให้เราได้พบกับความสุขแบบนี้ได้เพราะความสุขแบบนี้ต้องทำขึ้นมาเองเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถมตนเป็นที่พึ่งของตนตนต้องเป็นผู้ปฏิบัติสร้างความสุขชนิดนี้ให้เกิดขึ้นมาให้ได้ถ้าเรามีความตั้งใจมีความยินดีมีความพอใจแล้ว รับรองได้ว่าจะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ยากเย็นอะไรเลยพอเรารู้ว่ามีคุณค่าอย่างยิ่งเราก็จะเกิดความยินดีความพอใจเกิดความขยันหมั่นเพียรที่จะสร้างความสุขแบบนี้ให้เกิดขึ้นดังนั้นในเบื้องต้นเราจึงต้องทำความเข้าใจให้เห็นถึงคุณค่าอันวิเศษของความสุขแบบนี้ ให้เห็นว่าความสุขต่างๆที่เรามีอยู่นี้ไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริงไม่ได้เป็นที่พึ่งสำหรับเราได้ยามที่จิตใจของเราต้องประสบกับข้อกรรมประสบกับความทุกข์ต่างๆแต่ความสุขในใจคือความสงบของใจนี้เป็นที่เราสามารถยึดเป็นที่พึ่งไดในยามที่เรามีความทุกข์ใจไม่สบายใจ เวลาที่เราไม่สบายใจมีความทุกข์มีความเศร้าโศกเสียใจพอเราทำจิตใจให้สงบเท่านั้นความทุกข์ความเศร้าโศกเสียใจต่างๆก็จะหายหมดไปเลยนี่เป็นที่พึ่งของเราได้ทั้งในยามยามยากและในยามสุขในขณะที่ไม่ทุกข์เราก็จะมีความสุขมีความอิ่มหนำสาราญใจในขณะที่ทุกข์เราก็สามารถ ทำให้ความทุกข์นั้นหายไปได้ไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะสามารถกําจัดความทุกข์ให้หายไปจากใจได้ไม่ว่าจะเป็นเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ไม่สามารถดับความทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในใจได้ไม่ว่าจะมีตำแหน่งสูงขนาดไหนจะเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นประธานาธิบดีเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเป็นอะไรก็ตาม ก็ไม่สามารถที่จะดับความทุกข์ที่มีอยู่ภายในจิตใจได้มีแต่ความสงบของใจนี้เท่านั้นที่จะสามารถดับได้และเป็นสิ่งที่เราต้องสร้างกันขึ้นมาด้วยการพยายามปฏิบัติอย่างต่อเนื่องอย่างที่ท่านทั้งหลายได้มาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันในวันนี้ท่านกำลังเดินเข้าสู่ควาสมสงบสุขของจิตใจ เริ่มต้นด้วยการทำบุญให้ทานแล้วก็รักษาศีลแล้วก็มาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมไหว้พระสวดมนต์ทำจิตใจให้สงบบริกรรมพุทโธพุทโธไปภายในใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆมีเวลามากน้อยเท่าไหร่ก็ขอให้มุ่งมาทางนี้ทำแต่สิ่งนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็ว ท่านจะได้พบกับความสุขที่เลิ่ที่ประเสริฐที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้พบได้สัมผัสและได้นำเอามาเผยแผ่มาสั่งสอนให้กับพวกเรายึงขอให้พวกเราจงน้อมเอามาปฏิบัติอย่าผัดวันประกันพรุ่งอย่าประมาทนอนใจเพราะเวลา <c oughs> ของชีวิตเรานั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอน ไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเราจะมีโอกาสได้ทำบุญได้ปฏิบัติหรือไม่ก็ไม่มีใครรู้แต่วันนี้เรามีโอกาสแล้วเราควรที่จะรีบฉวยโอกาสนี้เสียน้าขึ้นให้รีบตักเพราะไม่รู้ว่าเมื่อไหร่น้ำมันจะลดลงไปเมื่อน้ำลดลงไปแล้วก็จะไม่มีน้ำให้ตักชีวิตของเราก็เป็นอย่างนั้นขณะนี้เรามีเวลาที่จะทาบุญที่จะรักษาศีล ที่จะมาอยู่วัดมาปฏิบัติธรรมกันได้ก็ขอให้เรารีบตักตรงโอกาสนี้อย่าปล่อยให้มันผ่านไปเพราะเมื่อมันหมดโอกาสแล้วจะมาร้องห่มร้องไห้เศร้าโศกเสียใจอย่างไรก็ไม่เกิดประโยชน์จึงขอฝากเรื่องการทำบุญเรื่องการรักษาศีลเรื่องการไหว้พระสวดมนต์การทำจิตใจให้สงบอย่างต่อเนื่อง ให้ท่านนำเอาไปปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยมีพระพุทพธพระธรรมพระสงฆ์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงปกป้องคุ้มครองให้ท่านแข้วคกร่ปลอดภัยจากทุกภัยอันตรายทั้งหลายทั้งปวง มีแต่ความสุขความเจริญทั้งในทางโลกและในทางธรรมโดยทั่วหน้าการเถอ